Bye. เทียนสอนให้มีสติสัมปชัญญะโดยการสร้างจังหวะสิบสจังหวะแล้วก็ทําดูแล้วก็อยากบอกอยากสอนให้อยากชวนให้ทําดูให้สัมปัดดูพาะเทียนสอนให้เรารู้จักรลูบทำนามธรรมสอนให้พวกเรามารู่จักรลูบทำนามธรรมมันมีค่ากลเป็นลดชาติของชีวิต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 อะไรก็ตามเถอะถ้าเรามีสติเนี่ยจะเป็นความยากก็ช่างหัวมันถ้าเรามีสติจะเป็นความง่ายช่างมันถ้าเรามีสติเป็นความสุขความทุกข์ความลูความหลงช่มางหัวมันแต่เป็นความยากจนมั่งมีอะไรก็ตามช่มางหัวมันว่าแต่เรามีสติหรือจะเปรียบเหมือนว่าถ้าเราขยันเงินเพียรจะจนช่นมางหัวมันจะรวยช่มางหัวมัน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 กะกุจะกจัยนะอาธิกกคำพนชนใสวัตบุตรอาจารทิสาประโมรผ่านบ้านตรงนี้เพราะเป็นทางผ่านของนักสอนศาสนาสมัยต้นๆที่พระพุทธเจ้าก็เคยไปผ่านทางนี้หมู่บ้านพวกกา ร, รามชนก็มาหาพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูคนสุดท้ายครูทั้งหกเกิดก่อนพระพุทธเจ้าของเรา เราก็สอนกันอยู่แล้วท่านพระเจ้าเดินห่านไปก็ไปสอนธรรมาทิตย์มีความเพียรชอบความลึกคบตามใจชอบอะไรต่างๆพวกหมู่บ้านกะละัลยาณมชนมาฟังก็โวยวายขึ้นเพก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อใครดีอาจารย์ทิสาประโมกออาานน่ก็สอนอย่างนี้อาจารย์สนใสัรรดาบรก็สอนอย่างนี้อธิการกามพนก็สอนอย่างนี้กุกุจักกัจจายนะก็สอนอย่างนี้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 ปัญาหาต่างๆมันจะเฉลยไปแล้วเราเดินทางหลวงตาพูดเมื่อวานเน่ยหลวงตาก็เป็นนักเดินทางสะหมายเป็นหนุ่มเพราะไม่มีรถไมีเหลือเกี่ยวข้องกับญาติพี่น้องเจ้าพ่อไปขนันเชิญหลโยกมเมื่อไรจะถึงเมืไรจะถึงไม่ต้องไปคิดมันเดินไปเรื่อยเดินเหนื่อยก็ช่า ง, งมันร้อนก็ช่า ง, งมันปวดเท้าปวด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 รู้ได้ทั้งนั้นจนเก่งแค่เก่งกร้าสามารถถ้ามันออกไปทางนี้ได้แล้วเห็นกายสภวะกายเวทนาสภาวะเวทนาเห็นจิตสภาวะจิตเห็นธรรมสัาวะธรรมเนื้นในกายไปแล้วเนื้อในตัวในตนไปแล้วไม่มีตัวมีตนในกายในเวทนาในจิตในธรรมออกไปแล้วเมือนเราปล่อยโคมขึ้นท้องฟ้าออกไปแล้วหลุดเบอรไปแล้ว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 ไม่ใช่ไปจบเาบาบัมแผนจิดนิ่งไม่วันไว้อะไรอันนั้นมาก็ถูกถูกแบบนั่นแหละแต่ถ้าไม่รู้อะไไม่รู้เดี่ยมันไม่ได้เวลาปฏิบัติทำมันจะนั่งจะไม่ต้องรู้อะไรเลยอ น, นั้นถูกแบบนั้นมีมาก่อนพระพุทธเจ้านั่งเสียนนอนหนํามไม่นุ่งผ้า อ, อะไรเขามีมาแล้วเก่งที่สุดเลยบวชเกินเรื่องดังนั้นไป ในลิธิปฏิหารยงคงกระพันล้วไปคิดจากนั้นอันนั้นทำได้เป็นบางคนแต่ไม่ใช่สาคุลแต่ความรู้สึกตัวทุกคนทำได้ปฏิปัติได้แต่ทาแบบไม่นอนเลยสามสิบปีแล้วไม่นอนเลยก็ทำได้บางคนแต่เอาเฉยงเรื่องนั้นเดือยเฉียงเรื่งนั้นเรื่องเดียวแบบต้องเป็นผู้มีสติอีกเหนือมันอีกนอนนี่นไม่ถูก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 ทันทีเลยยกมือขึ้นพลิกมือขึ้นลูดได้ทันทีไม่ต้องสร้างแต่ถ้าเราใช้เอาไปต่ อ, อากายไปต่ อ, อจิตใจไปต่อไม่ได้สร้างอยู่ในจิตก็มีสติอยู่ในกายก็มีสติอยู่ในตาก็มีสติอยู่ในหูหรูบรู้จินเสียงมีสติทั้งนั้นไม่ใช่ตาไปสร้างสติไม่ใช่ไม่ใช่หูไป ส, สป ร, าปสาร้างสติไม่ใช่กายไปสร้างสติทั้งเราจึงดูแลไม่ใช่น่ะเลือนตาขึ้น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 ถ้าจนตรองนี้ละมีค่าอะไรชีวิตเราอะไรที่เรายกวามไหว้ตัวเองได้คือเรื่องนี้คือความรู้จักตัวนะ